FM 8เ5 m ม z สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณรุวานมงคลสุภาบวรถวายพระพรจรัดรลาราชมงคลและถวยราชอภิวาทบาทราชาพระปกป้องชาวประชา พระเมตตาแผ่ทั่วไทยอัญเชิญพระไตรรัตน์สิริวัดพิพัฒไกลคุ้มครองพระทรงชัยทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการคณาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเขาเชิญเฝ้าทูลลอองพระบาทรับสเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเท พ, พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญาบัตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่33ประจำปีการศึกษา2561ระหว่างวันที่19ถึง23สิงหาคม2562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 ดำเนินรายการโดยชาววลิตอารุณทัศน์ทาง FM 89.5 MHz วิทยุราชมงคลท่านยบุรี สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักบายตุยตุยตินตินกันเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับสำหรับคืนวันอาทิตย์นี้กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี 89.5megahertz นะครับก็มาพบกับเรื่องราวสาระความรู้และความบันเทิงที่เรียกได้ว่าย้อนยุค ก, กันเบาๆนะฮะครับสาหรับเพลงที่พิ่ง จบไปเมื่อกี้นะคบเป็นเพลงของครูแอนนันทนาบุญหลงเพลงคิดไม่ถึงนะครับเป็นอัลบั้มแรกของของคุณนันทนาบุญหลงที่วางขายเมื่อปี2534กับกับอัลบั้มชุดแอนนันทนาหัวใจข้างขวานะครับครับ ก็สำหรับวันนี้ผมชวัสธิตตุนทัศน์ก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบรรยากาศของการวางแผงของอวางขายวางวางขายรั่บั้มที่เรียกว่าเทปกันในสมัยก่อ น, นะครับไม่รู้ว่าน้องๆหรือว่าคนฟังในยุคนี้จะรู้จักกันไหมก็คือ เพลงสมัยก่อนเนี่ยเออมันจะเป็นลักษณะก็คือเป็นแถบแม่เหล็กนะครลักษณะสี่เหลี่ยมซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีการกลับมาผลิตขายกันบ้างนะครับแต่ว่ายังยังยังไม่ได้เป็นวงกว้างเท่าไหร่นะัแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาจะนับยอดขายว่าอัลบั้มนั้นประสบความสําเร็จหรือเปล่าเนี่ยก็จะนับกันเป็นตลับในสมัยก่อนจะมีการโปรโมทว่าล้านตลับ ร้านตลับเปลี่ยนปก3ามตลับสามแสนตลับเปลี่ยนปกอะไรเงี้ยฮะก็คือนักร้องในยุคแปดเก้าศูนยเนี่ยมีการเปลี่ยนเปลี่ยนปกเทปกันบ่อยมากนั่นแสดงว่าเทปในสมัยก่อนเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะฮะก็คื อ, อ, อสมัยนั้นยังไม่มีเทปผีดีเถื่อนก็เวลาที่เราจะหาความสุขจากเสียงเพลงเนี่ยก็ต้องวิ่งไปร้านเทปไปซื้อเทปกันครับ <c oughs> สําหรับวันนี้ ผมอยากจะมาเล่าถึงเรื่องของบรรยากาศที่เทปของแซลปินแต่ละคนที่เราเรอคอยเนี่ยวางตลาดในวันแรกนะครับก็จําได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่กับเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กๆก็คือคุณพ่อแม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยเขาจะมีเทปของคุณดาวใจไพจิตของคุณชลินนันทนาครคุณธานินอินทรเทพคุณเสรษฐาศิลัสฉ า, ายาซึ่งก่อนนอนเนี่ย ที่บ้านคุณพ่อแม่ก็ต้องเปิดให้ฟังก็ทำให้เราได้ซึมซับเสียงเพลงแล้วก็คุ้นเคยกับตลับเทปมาตั้งเด็กๆ mm hmm. นะฮะออพอมาถึงช่วงหนึ่งที่ที่เราเริ่มสามารถเก็บตังที่จะซื้อเทปเองได้เนี่ยจำได้ว่าช่วงนั้นอยู่ประมาณป .5 ป .6 ผมผมซื้อเทปชุดแรกก็คือเป็นชุดนันินดา 2-7 กับชุดฉันเป็นฉันเองของของพี่แหวนทิติมานะฮะ จำได้ว่าตอนนั้นได้ค่าขนมไปโรงเรียน5บาทสิบบาทมั้งฮะก็เก็บหยอกกระปุกวันละนิดวันละหน่อยจนปกเทปสมัยนั้นถ้าจำไม่ผิดนี่ประมาณ65บาท70บาทครับก็กออพอถึงพอยอดยอดเงินที่เราเก็บเนี่ยได้ได้ไดถึงได้พอดีกับราคาค่าเทปแล้วก็วิ่งไปที่ร้านเทปตอนนั้นกำเงินไปประมาณ1้0บ วิ่งไปที่ร้านเทปที่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการนะฮะก็ เ, เหมือนกับเงินมันขาดไปนิดนึงแล้วก็ขอต่อเขาด้วยําได้ตอนนั้นทางเจ้าของร้านเขาใจดีเห็นเป็นเด็กไงก็ลดให้หน่อยหนึ่งก็เป็นเทปสงมงโมแรกในชีวิตที่ซื้อเองนะฮะครับการที่ศิลปินแต่ละคนเนี่ยจะออกเทปเนี่ยก่อนที่เทปจะวางตลาดเขาจะมีการยิงสปอร์ตโปรโมทกันใช่ไหมฮะว่าเทปจะวางวางตลาดวันไหนจะบางที สมัยนั้นเนี่ยก็จะมีการเอาศิลปินเจ้าของอัลบั้มเนี่ยไปยืนขายในวันแรกด้วยนะฮะถ้าใครยังทันสมัยนูน้นก็ร้านน้องท่าพัชร์ร้านดีเจสยามของคุณเปียกนะฮะก็จะเป็น2ร้านที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมีลูกค้าทั้งขาจรขาประจำเนี่ยไปอุดหนุนกันทั้งวันเลยแล้วก็ นักร้องแต่ละคนหรือวงดนตรีไหนที่จะออกอัลบั้มใหม่เนี่ยจะมาเปิดตัวจะมายืนขายจะมาโปรโมทที่ร้านสองร้านนี้เป็นหลักๆน ะ, ะครับมสมัยนั้นถ้าถ้าเกิดใครใครยังทันนอกจากเทปที่เราต้องพกติดตัวเนี่ยเราต้องพกสาร์เบลด้วยนะฮะเสาร์ก็คือการเป็นเครื่องเล่นวิทยุขนาดพกพาแล้วก็เราสามารถยิบไปฟังบนรถ รถเมล์รถประจำทางหรือรถส่วนตัวหรือเวลาเดินเราก็ฟังได้นะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยทุกคนเด็กวัยรุ่นทุกคนเนี่ยจะต้องมีทั้งซาวเบาจะต้องมีทั้งเทป พ, พกติดตัวกันไป้ะส่วนใหญ่นะฮะครับช่วงที่ผมเรียนอยู่ไทยวิจิตไทยวิจิตสินนะนะฮะก็จะมีเพื่อนๆที่ฟังเพลง แล้วก็มีสาวบ้าันทุกคนแต่ว่าแต่ละคนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะแบ่งกันไปพวกเฮ้ๆหน่อยก็จะฟังไมโครฟังบิลลี่ฟังหินเล็กไฟฟังเป็นค่ายๆไปนะฮะแต่ว่าบางคนก็จะฟังแบบฝั่งแกรมมี่ก็จะมีพี่ตูนันทิดามีพี่แหวนมีพี่ก้อยสัญญาอะไรอย่างนี้นะก็เรียกได้ว่าเป็นแฟนเพลงที่ค่อนข้างแบ่งกันชัดเจนเฉพาะกลุ่มแล้วก็มีการแบ่งกันด้วยว่า ถ้าค่ายนี้ค่ายกับมีจะไม่ฟังค่ายนึ่งค่ายหนึ่งก็จะไม่ฟังค่ายกัมมีมีการแบ่งเป็นเป็นเด็กเทปในยุคนั้น น, น, นะฮะครับอืมเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวขอพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องราวของอการวางแผงในอัลบั้มของแต่ละชุดกันวันแรกใหม่นะครับครับ ฉัน ที่จบตรงวันนี้เป็นเพลงข้าวนอกนานะครับร้องโดยคุณแอนนันทนาบุญหลงซึ่งตัวเธอเองเนี่ยนอกจากจะเป็นนักร้องชนะการประกวดของเวทีสยามกุลการแล้วช่วงนั้นคุณแอนก็เล่นละครเป็นนางเอกเรื่องข้าวนอกนาด้วยนะครับถ้าใครยังจําได้เป็นละครที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับในช่อง7จสี 4. ซึ่งเรื่องนั้นก็มีคุณนีโนมีคุณนิออนอิชราร่วมแสดงด้วยนะฮะครับ ก็เรียกได้ว่าเพลงข้าวอกนาเนี่ยส่งผลให้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นเพลงประจําตัวของครูแอนนัทนาบุญหลงได้เหมือนกันนะฮะครับะตะกี้เราพูดคุยกันค้างไว้ถึงเรื่องการบรรยากาศของของเทปของศิลปินที่เรารอคอยที่จะวางแผงวันแรกนะฮะตะกี้ผมพูดไปถึงร้านขายเทปที่ได้ความนิยมในยุคนั้นเนี่ย พูดไป2ร้านก็คือร้านน้องท่าประจันแล้วก็ร้านดีเจยสยามของคุณเปียกันะซึ่งขยายความนิดหนึ่งว่าร้านน้องท่าประจันเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่แล้วก็ได้รับความนิยมถือว่าเป็นร้านร้านขายเทปที่ค่อนข้างเก๋เลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ต คอนเสิร์ตทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยหลายๆหลายๆครั้งหลายๆที่หรือว่าแทบจะทุกเจ้าเลยก็ว่าได้ต้องมาฝากขายที่ร้านของคุณ น, นกร้านน้องท่าประจันเนี่ยนะฮะหลายหายคนหน่าจะยังเคยไปปัจจุบันนี้ยังอยู่นะครับอยู่ตรงท่าท่าน้าท่าเรือตรงท่าประจันนะครับครับส่วนร้านอื่นๆที่ที่ได้รับความนิยมจากจากแฟนเพลงที่จะไปซื้อเทปกันนะฮะก็จะมีทั้งร้านโดเรมี ปัจจุบันนี้ก็ยังเปิดอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ตรงสยามร้านโดโลมีเนี่ยจะเน้นขายเพลงสากลซึ่งจะมีคุณป้าที่รอบรู้เพลงสากลทุกเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงร็ อ, รอกเพลงป๊อปเพลงอะไรกันรู้จักหมดแล้วก็สามารถสั่งสั่งเทปจากต่างประเทศเข้ามาได้ด้วยนะฮะครับตามที่เราเลือกตามที่เราต้องการค่ะส่วนอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นร้าน i m มเมจิตรงนี้จําได้ว่าเปิดสาขาแรกตรงสยามเหมือนกันเป็นร้านที่อยู่ในเครือของกัมมีก็จะมี นอกจากเทปแล้วก็จะมีซีดีขายแต่แต่ i m a g มเนี่ยผมจำได้ว่าส่วนใหญ่คนจะไปซื้อซีดีมากกว่าเพราะว่ารูปแบบการจัดร้านรูปแบบของการวางวางสินค้าเนี่ยจะเน้นไปที่ซีดีแต่ว่าก็มีเทปอยู่เป็นบางส่วนนะฮะครับอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นร้าน ร้าน J จยูหรือร้านของเจ J ูที่พันธิต ป, ประตูน้ำซึ่งปัจจุบันเนี่ยแก่เสียไปแล้วนะครับร้านนี้เป็นแกเป็นพี่น้องกับร้านของป้าโดโดเรมีนะฮะก็มีความรอบรู้เรื่องเพลงเหมือ น, อนกันแล้วก็เป็นที่สังเกตนิดหนึ่งว่าสองร้านเนี่ยเวลาเวลาขายเทปเนี่ยแกจะมีการเอาสาก็เทปมาแปะเป็นเรียงเวลาเราดึงขึ้นมาเทปมันก็จะติดขึ้นมาเป็นเป็นแผงเลยนะก็ถือได้ ว, ว่าเป็นเป็นการเรียกเอ่อความสนใจจากลูกค้าได้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับ นอกจากนั้นก็จะมีร้านโซล่าเฮาส์ที่มาบนครองมีร้านเจไดที่เดอะมอบางกปินะครับแล้วก็ร้านอร่อยหูที่อิมเรียนสำโรงแล้วก็ร้านแผ่งเทปที่ที่มีขายทั้งตามย่านทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นสะพานควายหรือว่าแถวเยาวราชเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าวงการเพลงอ่ะได้รับการตอบรับที่ดีเพราะฉะนั้นร้านขายเทปเนี่ย มีแทบทุกหย่อมย่าเลยจริงๆไปที่ไหนก็เจอแต่ว่าร้านที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมจากคนที่เล่นเทปคนที่ฟังเพลงครับออตอนนั้นค่ายเพลงที่ที่ที่คนจะรู้จักแล้วก็ค่อนข้างได้รับความนิยมก็จะมีทั้งแกรมมี่มีคีตา IS นิติทัศ p s สุภมิตรซึ่งค่ายนี้ค่อนข้างเน้นดาราเหมือนกคบคีตานะฮะที่จะเอาดารามาเป็นนักร้องกันช่วงนั้นโอ้ เป็นที่ฮิตกันจริงๆไม่ว่าเป็นดาราจะเป็นพระเอกนางเอกตัวประกอบตลกอะไรทุกคนต้องมาร้องเพลงออกเทปกันก็เรียกได้ว่าเ ป, เป็นเป็นสีสันของวงการะนะฮะครับนอกจาก SP สุพรรมิตรแล้วก็มี ProMedia m a ารมี c r e เ t i ีเมี b บ r ก r y Music ซึ่ง b บเ g อ r ี่มิวสเนี่ยตัวตัวเทปตัวแพ็กเกจจิ้งเขาเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากค่ายอื่นเพราะว่า ทางค่ายบิ๊กร์ค่อนข้างให้ความสําคัญให้ความเอาใจใส่กับการออกแบบไ อ, อตัวปกเทปแพคเกจจิง้งหรือตัวรวมไปถึงโปสเตอร์นะฮะก็ทําให้คนที่ชอบฟังเพลงชอบซื้อเทปเนี่ยชอบที่จะสะสมโปสเตอร์ตามร้านเทปไปด้วยอย่างผมเองเนี่ยเวลาเวลาเราไปซื้อเทปที่ออกเนี่ยก็จะแอบขอโปสเตอร์จากเจ้าของร้านซึ่งบางร้านก็ใจดีบางร้านเขาก็ให้บางร้านก็ไม่ให้ จำได้ว่าปี2533วันที่5กันยายนอัลบั้มฮ o n e ีของพีฮนี่พัชรนุชเกียรติวางตลาดเป็นวันแรกนะฮะก็จำได้ว่ามีโปสเตอร์เปิดตัวเนี่ยเป็นเป็นยังไม่บอกว่าเป็นเป็นใครแต่ว่าเห็นครึ่งท่อนก็เป็นเห็นขอบอันดแวลแล้วก็เห็นช่วงสะดือนิดนึงเป็นรูปเซ็กซี่ฮะก็เอ คนก็จับตา ม, มองกันปรากฏว่าโปสเตอร์ที่แปะอยูตามแผงเทปน่ะโดนขโมยฮะโดนดึงไม่เหลือก็ทั้งค่ายคีตาพออัลบั้มวางแผนเขาก็ เ, เอาโปสเตอร์อันใหม่มาคราวนี้เป็นรูปเต็มตัวที่รูปเพรนีที่ยืนแล้วก็เห็นขอบอันเดอร์แวร์เหมือนกันแล้วก็ดึงกางเกงยีนลงแล้วก็ใส่เสื้อเอลลอยจําได้ว่าหายเหมือนกันฮะก็คือโดนคนไปขโมยรูปอันนั้นนี่ผมตอนนี้ยังเหลืออยู่แผ่นหนึ่งที่บ้าน จำได้ว่าช่างภาพเป็นพี่เซียนนพ ด, นดลโชตศิรินะครับเป็นรูปที่คือฮามากๆแล้วก็ตอนผมไปซื้อเทปเนี่ยก็ขอพสเซอร์เข้ามาเหมือนกันวันแรกอย่างที่บอกวันที่ห้ากันยาผมไปเลิกเรียนปุ๊บรีบไปที่สมพันควายาไปนั่งรอตรงยีป่ปัวที่เขารับเทปมาเพื่อเพื่อจะเ อ, เอามาจำหน่ายเนี่ยจำได้ว่าพอเทปมาถึงเนี่ยยังไม่ทันแกะกล่อง เราก็หยิบมาก่อนเราสาม้วนเราขอโปสเตอร์เขาเออ <c oughs> เขาก็ <c oughs> เขาก็งงๆนะครับว่าเอ๊ะอยังไงคือจะเอาโปสเตอร์หรือจะเอาเทปฮนะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เป็นบรรยากาศของการย้อนไปสู่ ว, วันที่เราวันที่เรายังมีเทปเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนข้างตัวไปไหนมาไหนทุกครั้งที่เรารู้ว่าศิลปินที่เราเรอคอยกำลังจะออกเทปเนี่ย ก็จะไปใจจดใจจ่จจอแล้วไม่ค่อยอย่างสมมติจะไปเรียนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยใจไม่อยู่กันในระตัวแล้จะต้องเอ้ยเทปมาหรือยังเทปมาหรือยังคือสมัยนั้นถ้าเกิดเนี่ยจะมีการอวดกับเพื่อนว่าเอ้ยใครซื้อได้ก่อนคนันชนะใครซื้อได้ก่อนคนนัเก่งแล้ววันรุ่งขึ้นถ้าเกิดเอ่อได้เทปมนนั้นมาแล้วเนี่ยแล้วเขา้เขามาแบ่งกันดูหรือบางครั้ง เ, เราอาจจะชอบเพลงนี้เพลงเดียวไม่ได้ชอบทั้งอัลบั้มก็จะยืมเหมือนแลกเทปกันนะฮะแลกเทปกันรับกลับไป ที่บ้านก็ไปอัดสมัยก่อนจะมีเราจะมีเครื่องอัดเทปนะฮะมันจะมี2ตลับใส่เทปได้สองตลับแล้วก็อัดจากม้วนหนึ่งมาสู่ม้วนหนึ่งได้ก็อันนี้ก็เป็นการประหยัดสําหรับคนที่ไม่อยากจะซื้อเทปทุกตลับนะฮะแต่ว่าในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่เป็นคนที่ค่อนข้างฟังหมดก็คือเทปอะไรออกจะซื้อหมดอมจําได้ว่าที่บ้านเก่าเนี่ย หนังด้านหนึ่งจะเต็มไปด้วยเทปเป็นวอลเปเปอร์เลยครับเป็นเป็นแบบมันเยอะมากแต่ว่าพอมาวันหนึ่งมุกการเทปสบเสารมันเริ่มมีซ d ดีเข้ามาแล้ว ม, มี MP ็มีาเข้ามาเนี่ยอืมบรรยากาศอย่างที่ว่าเนี่ยมันค่อนข้างไม่มีละแล้วก็เด็กยุคหลังๆเนี่ยคงคงไม่ทราบว่าเออเด็กสมัยก่อนเนี่ยเขาตื่นเต้นเ ข, นเขารอคอยเขาลุ้นแค่ไหนว่าเออเทป ของนักร้องที่เขาชอบเขาอยากฟังจะวางแผงเนี่ยมันมันเป็นยังไงอยากจริงๆอยากให้อยากให้บรรยากาศแบบนั้นกลับมาอีกครั้งนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็เริ่มมีบ้างนะฮะก็คือมีการมีร้านขายเทปมือสองที่เปิดอยู่หลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นที่พันทิพย์งามวงวานที่ตลาดแฮปปี้แลนด์หรือว่าตามตลาดตลาดนัดกลางคืนตลาดรถไฟอะไรเงี้ยมีนะฮะ บ, บางร้านก็คือแต่ว่าอันราคาเทปมันก็ อาจจะสูงกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือ d e มาสัพพ p ายมันคง ม, นมันมันไม่สมดุลกันนะฮะคือถ้าคนต้องการมากขึ้นแต่ว่าเทปเนี่ยมัน ม, ม, มีมีวันเสื่อมสภาพลงใช่ฮะก็มันหายากขึ้นเทปบางมวนก็เลยมีราคาแพงบางมวนราคา 5-6 0 0 0พันก็มีนะฮะไม่น่าเชื่อจริงๆมีการประมูลมีการ วางขายการฝากข า, ขายกันในเพจใน i อถ้าใครต้องการใครอยากสัมผัสบรรยากาศเก่าๆลองไปเดินดูได้นะครับที่ตลาดพันทิพย์งามวานชั้นถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นชั้น7ชั้น8มีหลายล้านนะฮะที่ขายเทปมือ2ถ้าฟลุ๊กๆบางทีอาจจะเจอเทปซิลคือเทปมือ1ที่เขายังไม่ได้แกะแต่ว่าราคาก็จะสูงขึ้นกว่าปกตินิดนึงนะฮะครับเ อ, อเอาละครับวันนี้ก็มีการ ย้อนลำเล็กถึงบรรยากาศของการวางแผงวันแรกของขอ ง, ของเทปเพลงที่เรารอคอยกันแล้วนะฮะก็คิดว่าหลายๆคนคงอยากอยากสัมผัสบรรยากาศนี้บ้างผมแนะนำให้อย่างที่บอกฮะไปลองฟังลองซื้อลองเลือกหาเดินดูได้ฮะที่ร้านตลาดเทปมือ2ที่ผมบอกไปครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมชอบฤทธิ์รุณทัศน์ก็ คงต้องขอลาไปก่อนแล้วก็กลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักบายตุยตตินตินทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี 89.5 บเุมกรเฮิร์แล้วก็ขอฝากอีกช่องทางหนึ่งก็คือแฟนเพจตุยตตินตินและ IG ตุยตยตินตินเช่นเดียวกันนะครับยังไงมีอะไรติชมมาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ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 R M U T T Radio.